บทที่23สัมผัสที่6เย็นนี้ลานดาวขอยืมหนึ่งในสองของรถพ่อมาขับชั่วคราวความจริงหล่อนนัดพบกับอมริศในร้านอาหารของห้างแต่บังเอิญเหลือเกินที่พอหล่อนจอดเสร็จก็เห็นรถอมริศกลายมาจอดตามเยื้องห่างไปเพียง10เมตรลานดาวเป็นฝ่ายเดินเข้าไปหายกมือไหว้และยิ้มทักสวัสดีค่ะพี่แตร์แหมดวงสมพงศ์ดีจริงขนาะนัดกันแท้ๆยังมาเจอในที่จอดรถอีกอมริศพยักหน้ายกมือรับไหว้ตอบขณะปิดประตู สงสัยต่อให้ขี่ช้างในป่าก็เจอกันอยู่ดียิงสาวหัวเราะแล้วหยอดน่าอุ่นใจดีนะคะจะได้ไม่ต้องพลัดหลงกันนานนักต่างยอมรับว่ากำลังตกอยู่ภายใต้การดูแลของบางสิ่งซึ่งก็คงเป็นพลังแม่เหล็กแห่งกรรมสัมพันธ์ที่ดึงดูดให้โคจรมาพบกันณนะจุดใดจุดหนึ่งในระหว่างที่ต่างคนตระเวนสุ่มเรื่อยเปื่อยบนแผ่นดินเวงว้างไพศาลเดินเคียงกันเข้าห้างลานดาวเล่า ว, ว่า สมัยเรียนมัธยมจะมีประสบการณ์เหลือเชื่ออยู่อย่างคือเดินไปไหนไม่ว่าในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนก็มักเจอแต่เพื่อนต่างห้องคนหนึ่งทีแรกทักกันไปทักกันมายิ้มยิ้มแต่พอถี่เข้าก็ราวกับมีเพื่อนคนนั้นอยู่ทุกหนทุกแห่งในโลกเสมอจ้าเลยชวนเป็นเพื่อนซีซะทุกวันนี้ยังคบหรือยังบังเอิญเจอกันอยู่หรือเปล่าเปล่าแล้วก็สะดุดกับคาตอบของตนเองเพราะเมื่อครู่สามารถสัมผัสถึงพลังลึกลับที่ดึงดูดผู้คนมาพบกัน บัดนี้เมื่อนึกย้อนกลับไปในอดีตก็สัมผัสถึงแรงผลักไร้ตนที่จับทุกคนแยกจากกันด้วยหฮวงคำหนึงนั้นก่อให้เกิดความสลดเงียบเหงาวาังเวงขึ้นมาครู่หนึ่งความช่างจินตนาการของลานดาวทําให้เห็นตนเองกับอมริชนั่งศบตาชนแก้วและเอ่ยต่อกันว่าแด่ความไม่เที่ยงกระพริบตาทีทีทปรับสติมาอยู่กับปัจจุบันเมื่อสัมผัสความอุ่นใจจากการใกล้ชิดกับอมริชนก็เปลี่ยนสีหน้าเป็นยิ้มแย้มวันนี้พี่แตรดูหน้าใสาจังอมริชเบนหน้าใสใสมายิ้มตอบเปิดเผย เพราะดีใจที่เจอจ๊ะนั่นแหละหญิงสาวยิ้มเขินโดยไม่เสแสร้งขณะนั้นทั้งสองเริ่มเข้าเขตห้างซึ่งอยู่ในช่วงที่ฝูงชนกําลังเดินขวักขวายไล่ตาการปรากฏตัวของอมริตกับลานดาวคล้ายดาวเด่นสองดวงที่ฉายรัศมีแรงสูงเสมอกันเป็นการเข้าคู่จับตาใครต่อใครที่เผอิญเหลือบมาเห็นได้ชงัดผู้ที่มีความมั่นใจในรูปสมบัตินั้นเวลาเดินอยู่ท่ามกลางหมู่คนมักรู้สึกถึงรัศมีโดดเด่นเตะตาประจําตนเสมอ บางคนก็ลอบช้ำเลืองอยู่เนืองๆว่ามีใครสนใจมองตัวเองมากน้อยแค่ไหนบางคนก็เกรงเงด้วยความแย่กับการถูกจับจ้องแต่บางคนเช่นลานดาวจะชินกับการเดินเชิดเป็นนางพญาพาตนเองฝ่ากความเชี่ยวกลากของกระแสตามหาชนมาเนิ่นนานพอรู้ตัวมาตลอดว่าตนเป็นดาราโดยกำเนิดอย่างไรก็ต้องเป็นเป้าสายตาใครตอใครแน่ยิ่งกว่าแน่อยู่แล้ว ทว่าคราวนี้อาจต่างจากครั้งไหนๆอยู่บ้างก็ตรงที่หล่อนรอบสังเกตรอบข้างเป็นระยะอย่างจะเทียบว่าระหว่างอาการตาลุกจากหนุ่มๆที่มีมาอย่างตนกับประกายปิง้งปิงจากสาวน้อยสาวใหญ่ที่มีมายังอมริตอย่างไหนน้ำหนักมากกว่ากันสิ่งที่พบจากการสังเกตตลอดทางเดินยืดยาวคือความเสมอภาคระหว่างหลอนกับเขาไม่มีใครเด่นกว่าใครถึงจุด1ล้านดาวจึงเลิกแยแสสายตาหนุ่มๆแต่ยิ้มมุมปากคล้มใจกับประกายอิจฉาในตาสาวๆทั้งหลาย ลึกอยากควงแขนเขาเพื่อรุนไฟในตาชาวบ้านให้โชนแรงขึ้นแต่ก็ทราบว่าควรเป็นอีกพักหนึ่งกว่าจะถึงเวลาแสดงความสนิทสนมกับเขาขนาดนั้นในที่สาธารณะตลอดทั้งวันนี้หล่อนระมัดระวังกระทั่งความคิดของตนเองมีให้คิดถึงเขาประเจิดประเจินนักเพราะตระหนักแล้วว่าอามาริษ ส, สามารถล่วงรู้กระทั่งวาระ จ, จิตยามห่างรู้สึกไม่ยุติธรรมเอาเลยที่ปล่อยให้เขารู้เอาฝ่ายเดียวมุ่งมั่นอยู่เงียบๆว่าวันหนึ่งจะรู้แบบเขาให้ได้บ้าง มานั่งในร้านที่นัดกันไว้หลังจากสั่งอาหารเสร็จก็แย้มยิ้มสพตากันเปิดเผยเหมือนพร้อมจะพูดกันได้ตรงไปตรงมาทุกเรื่องมองอะไรคะลานดาวแกล้งแย่ถ้าห้ามมองก็บอกจะได้เข้าใจกติกาเปาถามดูเจ๋เจยเห็นมองอยู่นานนึกว่าจะสอนอะไรแต่ก็ไม่เห็นสอนสักทีวันนี้ไม่ได้นัดมาสอนแค่ชวนมากินข้าวยิงสาวคบจะงอยปากเบาๆก่อนเอ่ย จะน่าจะรู้มานานเวลาพี่แตรมองใครเหมือนอ่านคนนั้นอยู่ตลอดเวลาก็ไม่เสมอไปบางทีแค่มองด้วยความอยากมองลานดาวหลิวตานิดหนึ่งจะเคยโดนจ้องเอาจ้องเอาอยู่บ่อยๆแต่ไม่เหมือนโดนพี่แตรมองอย่างนี้เลยต่างกันยังไงคนถูกถามแค่หัวเราะแล้วยิ้มทอดตาศบเขาไม่วางคิดในใจตอบคําถามเขาชัดๆยอมรับชัดๆว่าอยู่กับชายอื่นหลอนรู้สึกคล้ายเป็นแม่มดที่อาสาบใครต่อใครให้ใหตะลึงค้างจังงังเป็นก้อนหิน แต่กับเขาหล่อนเหมือนจะกลายเป็นฝ่ายโดนพ่อโมศาบเข้าบ้างเต็มใจยอมรับว่าอำนาจครอบงำหัวใจของเขาสูงเหนือหล่อนคิดอะไรอยู่สายตาพิกลไม่รู้จริงๆหรือแกล้งไม่รู้คะจะคิดตอบที่พี่แตรถามว่าต่างกันยังไงนะคะ่ะคิดยาวๆซับซ้อนขนาดนี้พี่อ่านไม่ออกหรอกเขาสารภาพตามตรงลานดาวยิ้มเฉียงได้การละต่อไปนี้เวลาคิดอะไรจะจะคิดยาวๆเข้าไว้พี่แตรจะได้ไม่รู้และนั่นก็เป็นความรู้ใหม่อีกประการหนึ่ง แต่ละขณะคนเรามีห่วงความคิดสั้นยาวต่างกันอย่างเช่นถ้ามองคนที่เกลียดจะมีกระแสความรู้สึกชิงชังส่งออกไปชนิดที่คนทั่วไปก็ทราบได้โดยไม่ต้องฝึกอ่านวาระ จ, จิตกันและขณะมองใครด้วยความชังในหัวอาจมีคำด่าสั้นๆอยู่ซึ่งตรงนี้หากใครมีสัญชาตญาณสัมผัสจิตดีๆก็อาจรู้ว่าด่าอะไรทำนองไหนเพราะภาษาจิตสื่อได้ผ่านความรู้สึกตรงๆอยู่แล้วโดยไม่จาเป็นต้องฝึก ธรรมชาติปิดบังไม่ให้คนรู้ความคิดกันนะับเป็นการให้เลือกทํากรรมหลายหลากถ้าคิดร้ายแล้วยังไม่พูดก็ไม่ต้องระคายกันไม่ต้องผูกเวรกันซึ่งซึ่งนาแต่ถ้าคิดร้ายแล้วพูดอันนี้คือเลือกแล้วว่าจะมีเวรต่อกันแน่ความรักชายหญิงก็เช่นกันอาจเลือกว่าจะให้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนแบบเล่นแง่อุดไตบางอย่างไว้ในใจหรือจะปล่อยให้กระโดดโลดเต้นออกมาเป็นคําพูดแบบไม่อ้อมค้อมอย่างไรก็ได้ทั้งสิน้นล้านดาวเคยรู้สึกถึงช่องว่างระหว่างมนุษย์ เห็นมีกำแพงหลายชั้นกั้นขวางใจแต่ละฝ่ายไม่ให้เข้าถึงกันจังๆแต่ชั่ววินาทีนี้นึกสนุกอยากให้กำแพงทุกชนิดระหว่างหล่อนกับผู้ชายตรงหน้าทลายลงสิ้นเหลือแต่หัวใจที่สัมผัสและสื่อสารถึงกันโดยตรงคิดเช่นนั้นแล้วก็สงสัยว่าจะเป็นไปได้จริงไหมเป็นไปได้ที่เราจะสื่อสารกันตรงๆด้วยใจนั่นคือคำพูดของเขาที่ทําให้ลานดาวเปิดตากว้างอย่างยินดีจะเพราะอ่านใจหล่อนออกหรือเพราะจังหวะของบทสนทนาจูงให้เขาเพออิญพูดตรงใจก็ตามที คงสนุกนะคะต้องอาศัยการฝึกและการยินยอมพร้อมใจของทั้งสองฝ่ายจะยินยอมหล่อนกล้ารับพอทำได้จริงอาจไม่สนุกอย่างทาดก็ได้ถ้าทางพี่แตลประสบการณ์เยอะสงสัยเคยเจอเรื่องหน้าเขดเคยฝึกโทรจิตกับใครไหมคะเคยแต่ก็ตกลงร่วมกันว่าจะเลิกผู้หญิงทั้งหญิงทั้งชายไม่ใช่แบบแฟนรอกเพื่อนๆในกลุ่มนักปรจิตนะ่ะลานดาวยิม้มขั้นแรกต้องทำยังไงคะถึงจะมีโทรจิตได้ อยากฝึกกับพี่แน่หรือค่ะการสื่อสารทางจิตเป็นเรื่องน่าสนุกตอนเริ่มแต่พอเข้าลึกไปจริงๆจะมีสิ่งที่คาดไม่ถึงอยู่มากนะเอาง่ายๆจะไว้ใจพี่มากพอจะเปิดเผยความลับที่ไม่อยากให้คนอื่นในโลกรู้ไหมแบบที่ออกปากพูดได้เราก็เลยออกมาจากความคิดในหัวตรงๆแม้แต่ความรู้สึกผิดที่สุดอยากซ่อนเร้นที่สุดหญิงสาวย่นคิ้วเหลือบลงต่ำนิ่งตรองอยู่ครู่หนึ่งก่อนช้อนตาขึ้นศบกับเขาแนวนิ่งคิดว่าได้นะคะ อมริตอมยิม้มทดลองซิเขาไม่คาดหวังเท่าใดนักเพราะเพิ่งรู้จักกันแค่สองวันอย่างมากลานดาวคงเล่าเรื่องห้าแต้ม ด, ดัดดัประเภทวิ่งหน้าตื่นจะเข้าห้องน้ำแล้วสะดุดขาตัวเองล้มป๊าบเสร็จต่างกระจายเกลื่อนถว่าทอยคำที่ผ่านริมฝีปากคู่งามในเวลาต่อมาถึงกับทาให้ชะงักอึง้ง ความรู้สึกผิดที่สุดในชีวิตของจ้าคือการอยากมีเซ็กส์กับพี่เอิญจ้าเคยรักพี่เอิญแบบชู้สาวและอยากแย่งเขามาจากสามีแต่ก็ลงเอิรด้วย ด, วยดีเพราะพี่เอิญห้ามใจได้อม m a r i t นิ่งไปพักก่อนเอิร์ดในเชิงชมที่ลานดาวกล้าเปิดเผยขนาดนั้นไม่เลวพี่แปรอ่านใจคนออกน่าจะพอรู้เรื่องนี้เองอยู่แล้วไม่นะต้องย้าว่าอย่ามองพี่เป็นประเภทหนักหลวงตับชอบแกะจนมาหรือเปิดไดอารี่ชาวบ้านอ่านก่อนได้รับอนุญาต ถ้าทำอย่างนั้นไม่นานความรู้เห็นทั้งหลายจะเสื่อมหมดแถมต้องเจอเคราะห์ร้ายอันเป็นแรงสะท้อนกลับจากพฤติกรรมละลาบละลวงคนอื่นด้วยพี่อาจเห็นด้วยตาเปล่าว่าจะสนิทสนมกับเอิญในแบบแปลกๆ แ, แต่ไม่นึกว่าถึงขนาดนั้นก่อนเจอพี่แตร ى, จ๊กกับพี่เอิญตกลงกันได้แล้วล่ะค่ะว่าจะเปลี่ยนจากความรักแบบเห็นแก่ตัวมาเป็นความรักที่เอื้ออาทรบริสุทธิ์ใจต่อกันเพราะฉะนั้นเลยเหลือแค่ร่องรอยความผูกพันแน่นแฟนเกินพี่น้องนิดหน่อยแต่ไม่ขนาดหึงหวง หญิงสาวหลุดปากออกมาหน่อยหนึ่งก่อนนึกได้ว่าเป็นเรื่องเข้าเนื้ออม m a r i t ยิ้มละไม ย, ยกขาไขว่ห้างกอดอกเอามือจับคางจ้องลึกลงไปในตาลานดาวอะไรเป็นเครื่องวัดว่าเลิกหึงห่วงแล้วนั่นเป็นอีกบททดสอบหนึ่งลานดาวเม้มปากแค่คิดตอบก็รู้สึกร้อนเผาที่ใบหน้าแต่เมื่อครู่ตัดสินใจแล้วว่าสามารถเปิดเผยความลับได้โดยปราศจากซอกเร้นใดๆกับเขาจึงรักษาความตั้งใจด้วยการรอให้สงบหมดอาการหน้าแดงแล้วกล่าวเสียงเรียบสนิท จ้าเคยพาเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งมาแบบว่าจะแสดงละครให้พี่เอิญ น, นึกว่าจะมีแฟนพี่เอิญก็ทำตาแดงๆให้เห็นนั่นเป็นเรื่องในอดีตแต่ระหว่างทางกลับจากหัวหินพี่เอินให้ลองอธิษฐานขอพบใครสักคนที่ใช่แล้วแค่อีกไม่กี่นาทีต่อมาพี่แตรก็ปรากฏตัววันนี้โทรคุยกันพี่เอิญถามจ้าว่าพี่แตรใช่คนที่จ้ารอมานานหรือเปล่าจ้าบอกว่าใช่พี่เอิญยินดีใหญ่กัดฟันพูดจบก็จ้องเขาในตามีแววเครียดเล็กๆ จะเป็นผู้หญิงแต่ต้องเป็นฝ่ายเปิดหัวใจตัวเองก่อนพี่แตรซึ่งเป็นผู้ชายก็หวังว่าจะได้รับความยุติธรรมนะคะถึงตาพี่แตรไขความลับให้จะฟังบ้างชายหนุ่มเอ็นหลังพิงพนักสีหน้าเฉยแบบซ่อนยิม้มชีวิตที่ไม่มีความลับชนิดที่เป็นความรู้สึกผิดแต่อาจมีเรื่องซุกซ่อนในใจอยู่บ้างเอาแบบที่สมน้ําสมเนื้อกับความลับที่จะเปิดเผยกับพี่นะแรกสุดที่เจอกับเอินพี่ก็หลงรักทันทียอมรับว่าหลงรูปเพราะเหมือนนางในฝันที่สแสวงหามานาน อีกอย่างใจสัมผัสรู้ว่าเอินเป็นหมอและเป็นหมอออกมาจากความคิดอยากช่วยคนอื่นเหมือนกับพี่เสียด้วยแต่พอเอิญพูดถึงสามีขอโทรศัพท์พี่เพื่อเรียกให้สามีขับรถมารับใจพี่ก็ตัดทันทีนะนี่เป็นเรื่องก่อนหน้าจ้าฟื้นจากสลบลานดาวเสียงหัวใจแปลก บ, ลบชนิดฟืนยิ้มไม่ออกมีเรื่องเล่าให้จ้าฟังแค่นั้นหรือคะอมริตยิ้มอย่างคนถือไพ่ใบสุดท้ายในมือรู้ดีว่าอีกฝ่ายต้องการได้ยินอะไรสําหรับความรู้สึกที่พี่มีต่อจ้า เบื้องแรกเลยคือเห็นว่าจะสวยเกินเหตุเป็นความสวยชนิดก่อปัญหายุ่งยากใจกับทางจ๊ะเองและคนรอบข้างสวยแบบที่นึกว่าคงคุยกันคนละภาษากับพี่เลยไม่ได้ให้ความสนใจมากนักแต่พอมองเต็มตาก็เห็นต่างไปมีความคุ้นเคยเป็นกันเองและนึกเอ็นดูสนิทใจมากยิ่งพอจะฟื้นความจําทําให้พี่เห็นความฉลาดเจรจาก็ยอมรับว่าชักเริ่มหลงพักจิบน้ําสารตาตรงสองแววหวานทอดถึงหญิงสาวอย่างไม่ปิดบังที่จะประกาศใจพิสวัตร ลานดาวกระพริบตาทีหนึ่งมีสีหน้าแช่มชื่นขึ้นเมื่อทราบแน่ว่าใจตรงกันหลอนไม่หลบเลี้ยงสายตาของเขาและทอแววชนิดเดียวกันตอบรับซึ่งก็แปลว่านับแต่วินาทีนั้นความสัมพันธ์กระชับมากขึ้นเกินคนเพิ่งรู้จักแน่แล้วตกลงคือทุกอย่างเป็นไปตามคำอธิษฐานลานดาวอดสงสัยไม่ได้ว่าหลอนเจอเขาตามแรงสัจจวาจาหรือว่าแท้จริงต้องเจอกันอยู่แล้วแรงกรำเลยบันดาลใจให้อธิษฐานเช่นนั้นกันแน่ เหมือนเลือกไพ่เพื่อดูดวงที่แรงกรรมอาจโดนใจให้หยิบไพ่ตรงกับชะตาในปัจจุบันออกมาขอบคุณนะคะที่ช่วยบอกไม่อย่างนั้นจะคงรู้สึกว่าตัวเองใจง่ายอยู่คนเดียวนี่ถือว่าเราทําลายกําแพงที่จะเป็นตัวขวางโทรจิตระหว่างกันแล้วใช่ไหมคะก็แค่ส่วนหนึ่งต้องทําไงอีกอมริดพักเงียบครู่หนึ่งเพราะบริกรนําจานอาหารมาวางแล้วกล่าวตอบหลังพนักงานเดินจากไปเหมือนเล่นวิทยุสื่อสารต้องฝึกจูนคลื่นให้ตรงกัน หัดส่งและหัดรับสัญญาณเรียกของกันและกันว่าแต่ตอนนี้ทานข้าวกันก่อนเถอะเดี๋ยวจะชื่อเสียลานดาวขัดใจขึ้นมาเล็กๆรู้สึกถึงความระคายแล่นเป็นริ้วๆในอกทีเดียวแต่ยังฝืนระบายยิ้มน่ารักและหยิบช้อนซ่อมเริ่มลงมือรับประทานหากเป็นเด็กใจร้อนเหมือนเมื่อก่อนอาจเรียกเช็คบินขอให้เขาพาไปหาที่เงียบๆเพื่อรับบทเรียนแรกทันทีเพราะหลอนหิววิชากว่าหิวข้าวมากนักเสียดายจังไม่น่านัดทานข้าวเลยน่าจะนัดให้พี่ตรสอนโดยเฉพาะ ความงุดหงิดขี้โมโหที่รำคาญเก่งทำให้คลื่นจิตไม่สะอาดรู้ไหมอย่างนี้ต่อให้สั่งสมพลังไว้มากแค่ไหนก็ดึงไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เต็มที่หรอกล้านดาวสือึกที่ถูกติงแต่ก็ขมใจและคลายหัวคิ้วที่ขมวดอยู่เล็กๆออกค่ะต่อไปนี้พี่แตรช่วยเตือนจ้าด้วยนะคะจ้าจะพยายามขัดเกลาร์ตัวเองแน่รึจ้าน่ะเหมือนม้าพยศเคยแต่ร้องฮีฮฮ่ฮีมาตลอดอยู่ๆจะให้ยอมถูกใส่เขี้ยนเป็นลาซื่อเงียบๆหงิมๆิมได้ยังไง พอถูกเปรียบเป็นมาร้องฮีฮีฮีหญิงสาวก็เหลือบจ้องเขาด้วยตาวาบวาวแต่แล้วก็เท่าทันว่านั่นคือการแกล้งยั่วโม โ, มโหเพื่อดูปฏิกิริยาจากหล่อนจึงเสชวนเขาทานข้าวแล้วหยิบช้อนตักอาหารใส่ปากเคียวด้วยสีหน้าเป็นปกติแถมส่งยิ้มหวานให้อย่างดีอีกด้วยเมื่อเห็นอมริตจับตามองหล่อนนิ่งแบบฝึกหัดมีอยู่ทั่วไปในโลกอมาลิตกล่าวเสียงเรียบนี่รู้ทันว่าพี่แกล้งยั่วใช่ไหมละ่ะเลยไม่โกรธ แต่ตอนคนอื่นเขาทําให้เราโกรธจริงๆก็ต้องรังตัวเองให้ทันอย่างนี้เหมือนกันถ้าทําได้ตลอดกําลังจิตถึงจะเดินเรียบยิ้มแผ่เมตตาหลังโกรธอย่างนี้แหละดีทีแรกอาจฝืนแซงแต่พอทําบ่อยก็กลายเป็นของจริงไปเองค่ะใจลานดาวยังรู้สึกต้านอยู่บ้างเพราะไม่เคยยอมให้ใครสั่งสอนแบบดัดนิสัยอย่างนี้มาก่อนแต่อมาลิ์เป็นใครคนหนึ่งที่ดีพอจะยอมลงให้จึงไม่ฝืนฝืนมากนักกับการถูกขนาบบางทีมองคนอื่นอาจเห็นง่ายขึ้น มองตัวเองอาจลำบากกว่าอีกยังไงคะจะลองชำเลืองผู้หญิงตกข้างๆเราสาวเสื้อแดงนะ่ะซ้ายมือของจ๊ะลานดาวทาทีมองไปทางขวาครู่หนึ่งก่อนกวาดตาไปทางซ้ายเห็นสาวน้อยเสื้อแขนกุดกำลังนั่งทําหน้านิ้วคิ้วขมวดท่าทางกำลังอยู่ในระหว่างถกเคร่งเครียดเข้มข้นกับแฟนอารมณ์แรงจัดแต่มีการศึกษาพอจะไม่บงเบงในที่สาธารณะชำเลืองเพียงอึดใจเดียวก็หันกลับมาหาอมริตมองแล้วคะ่ะ บอกอย่างจะให้เขาระบุว่าต้องทำเช่นใดต่อเห็นอะไรบ้างเห็นคนสวยกำลังเอาแต่ใจตัวแฟนเธอกำลังกลุ้มใหญ่จะบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องขี้ปะติว๋วฝ่ายชายไม่ได้ทำอะไรผิดร้ายแรงเพียงแต่ไม่อาจสนองความต้องการบางอย่างแต่จะให้จาเปรียบเทียบกับตัวเองเดี๋ยวนี้หรือคะจ้ายังไม่ได้เกเรอะไรซะหน่อยถ้าเห็นแค่นั้นก็ไม่ใช่ที่พี่อยากให้เห็นแร้วละลานดาวเลิกคิวสูงอย่างฉงนอยากให้จ้าเห็นอะไรรอเดี๋ยว เขาบอกพลางตักอาหารใส่ปากเป็นคำแรกซึ่งพอเขาให้รอลานดาวก็รอเอาละ่ะลองหันไปดูใหม่แค่แวับเดียวพอแล้วไม่ต้องคิดอะไรนะลานดาวทําตามเอียงหน้าจำเลืองซ้ายเพียงแวับเดียวแล้วสะบัดกลับมายิ้มให้อมาลิตนิ่งๆโดยไม่คาดการล่วงหน้าทําตัวเป็นนักเรียนที่ดีทําตามคําสั่งทุกประการโดยปราศจากเงื่อนไขบอกพี่ง่ายๆห้ามคิดเพิ่มเติมมากไปกว่าแค่ที่รู้สึกนะบอกสิว่าเขาทุกข์มากขึ้นหรือน้อยลงกว่าเมื่อกี้ หญิงสาวพยักหน้าอย่างถึงบางอ้อน้อยลงค่ะอาการอึดอัดคับแน่นเบาบางลงมากถูกแล้วคราวนี้ไม่ต้องมองเขาแล้วนะมองในโต๊ะเรานี่แหละใช้ใจแทนตาดูบ้างลองทําเหมือนเงี่ยหูฟังสัญญาณภาพที่หายไปโดยเปรียบเทียบกับสองสามวินาทีก่อนที่จะเห็นว่าเขาทุกน้อยลงนะ่ะระลึกถึงความรู้สึกของเขาที่ตรงนั้นแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ต่างไปอีกหรือยังลานดาวเพ่งมองแก้วตรงหน้าย่นคิวนิดหนึ่งพยายามตรึกนึกตามเขาสั่ง แต่ก็ถูกถักทวงจะเพ่งเสียจนอุดอู้ขับแคบแล้วกลายเป็นกำแพงขวางความรู้ทางใจไปแล้วจำไว้ว่าเราจะรู้อะไรได้ต้องไม่เพ่งแรงขนาดนี้เหมือนจะเปิดหูรับฟังสิ่งที่พี่พูดได้ครบถุกถ้อยกระทงความเพราะไม่ได้เอาแต่เพ่งแก้วเพ่งโตะทื่อแต่มีใจสบายพอจะเปิดรับฟังเป็นปกติเอาถอนใจทีหนึ่งยาวๆแล้วทาเหมือนเงี่ยหูฟังความรู้สึกของเขาสบายสบาย ลานดาวระบายลมหายใจยาวเปรียบเทียบแล้วรู้สึกโปรงเบากว่าเมื่อครู่มากจากนั้นจึงนึกถึงทุกข์ของสาวเสื้อแดงซึ่งยังคงมีร่องรอยให้จำได้ว่าเบากว่าที่เห็นแรกสุดแต่พอกำหนดใจรับรู้อยู่ครู่เดียวก็สำเนียกถึงแรงบีบคั้นหนักหน่หนวงขึ้นมาอีกกระทั่งต้องเหลียวไปตรวจสอบว่าของจริงตรงกันหรือไม่ปรากฏว่าเจอสาวคนนั้นทำหน้าหงิกหน้างอใส่แฟนใหม่จริงๆและน้ำหนักความกดดันที่เห็นด้วยตาเปล่าก็เทียบเท่ากันกับที่เห็นด้วยใจพอดีเป๊ะ ลูกศิษย์สาวยิ้มใส่ให้คุณครูอย่างจะบอกว่ารู้แล้วทําได้แล้วนี่แปลว่าต่อให้จ้าอยู่ห่างไปพันไม้ก็ยังสามารถตรวจทราบร่องรอยคลื่นจิตของเขาได้ขอเพียงรู้จักหรือจับสัญญาณจิตเขาเป็นหลักตั้งต้นแค่หนเดียวอาจผ่านภาพหรือเสียงใช่ไหมคะของมันก็แบบเดียวกับที่จ้าทาได้ทางโทรศัพท์เมื่อคืนนั่นแหละพอรู้แนวสักครั้งคราว ต, ต่อต่อไปก็ง่ายแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งละความสนใจจากผู้หญิงข้างๆนี่กินข้าวไปตามปกตินะแต่สังเกตระดับความทุกข์ของเขาสักพัก ลานดาวพยักหน้าทันเข้าเรื่อยๆแต่พฤติทางใจก็เหมือนเหลียวหน้าไปชมเลืองสาวน้อยอารมณ์บูร ด, ด้านข้างไม่ขาดสายระมัดระวังไม่ให้คลื่นความคิดของตัวเองเข้าแทรกแซงเหลือไว้แต่ใจเปล่าๆที่เฝ้าดูความเคลื่อนไหวภายนอกตนเองอย่างเดียวเห็นความทุกข์ความอึดอัดความบีบคันที่เข้มข้นขึ้นเป็นพักๆแล้วโรยตัวหรี่ลงเป็นความคุนบางทีอาการเหมือนยิ้มหรือหัวเราะเล็กๆเมื่อได้รับคำปลอบถูกใจ แต่แล้วก็เหมือนลูกคลื่นที่เรียบสงบคลื่นเดียวก็โยนตัวขึ้นสูงใหม่สลับกันแล้วแล้วเล่าๆหนักมากบ้างหนักน้อยบ้างพอเห็นด้วยใจไม่มีภาพประกอบนานเข้าลานดาวก็รู้สึกขึ้นมาอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเห็นอารมณ์สุขทุกข์ของมนุษย์เป็นสิ่งไร้แก่นสารขึ้นแล้วลงลงแล้วขึ้นสลับกันอยู่แค่นั้นหาความสงบสุขคงเส้นคงวาไม่ได้เลย ดังนั้นความสนุกที่เห็นใจขนขึ้นขึ้ น, นลงลงโดยไม่ต้องหันหน้ามองจึงแผ่วลงอย่างรวดเร็วเพียง1ิบนาทีลานดาวก็หมดความอดทนพอหรือยังคะอมริตพยักหน้าสติของจ้าเดินเรียบดีนะเวลาตั้งใจโฟกัสกับอะไรเป็นเรื่องเป็นราวหรือคะยิ้มสดชื่นที่ได้รับคำชมการรู้อารมณ์คนอื่นอย่างนี้เรียกว่าเป็นพลังจิตได้หรือเปล่า สำหรับพี่นี่เรียกว่าเป็นจิตสัมผัสมากกว่าเพราะใช้สติธรรมดารรมดาของคนทั่วไปก็ได้ไม่ต้องอาศัยพลังจิตพิเศษที่ไหนเพียงแต่คนทั่วไปไม่รู้วิธีเอาแต่คิดๆฟุงฟ้งๆสนองความอยากของตัวเองกันเลยดูเหมือนน่าอัศจรรย์ถ้าเห็นใครทำได้ความจริงแค่เอาใจเขามาใส่ใจใเราเสียหน่อยก็มีสัมผัสตรงนี้กันทั้งนั้นแหละค่ะเกิดมาเพิ่งสังเกตนะคะว่าเวลาคนเราเป็นทุกข์มันจะอึดอัดแน่นอก แล้วก็มีอะไรหมุนหมุนวิงวิงในหัวเป็นรูปความคิดที่จับไม่ติดอย่างนี้เองถึงเกิดอาการพูดไม่รู้เรื่องเพราะมันมีแต่แรงดันขับคําพูดอย่างใจตัวเองออกมาด้วยพายุอารมณ์แล้วก็ซ้ําวนขึ้นๆึลงลอยู่กับที่ก้าวต่อไปไหนไม่รอด10นาทีที่จะเฝ้าดูอยู่ไม่เห็นอะไรใหม่เลยนอกจากคลื่นทุกแบบเก่าๆอัดแล้วคลายเป็นห่วงๆลานดาวเรียนรู้เร็วว่าเขาต้องการหยิบยื่นสิ่งใดให้และทันทีที่อมริทฟังลานดาวพูดจบเขาก็นึกพิสวรรัตหล่อนขึ้นมาจับจิต แน่ใจว่าสามารถรักหล่อนได้เต็มหัวใจในการต่อไปนี่แหละถ้าเราแยกจิตออกมาสัมผัสอารมณ์โกรธของตัวเองได้อย่างนี้เลิกเข้าข้างตัวเองเสียได้ในที่สุดก็จะเห็นความโกรธเป็นสภาพไร้สาระไร้แก่นสารไม่น่าอุ้มมันไว้กับตัวถ้าขาจัดอุปสรรคขัดขวางพลังจิตที่สําคัญประการแรกนี้สําเร็จการฝึกขั้นต่อต่อไปก็จะง่ายลูกศิษย์สาวพยักหน้าน้อยๆอยอย่างเข้าใจซึ้งไปถึงก้นบึง้งบังเกิดความปลอดโปร่งสุขสบายขึ้นอย่างประหลาด คล้ายสลัดของหนักบางชิ้นหลุดจากขั้วของใจไปเห็นจริงขึ้นมาปุบปับฉับพลันว่าความเห็นแก่ตัวของคนเราเป็นสิ่งน่ากลัวทําให้จิตใจขับแคบและก่อเรื่องเดือดร้อนได้สารพัดเริ่มต้นจากใจตนเองก่อนแล้วแพร่กระจายสภาพบีบคั้นไปถึงคนใกล้ชิดเป็นอันดับต่อมาเดี๋ยวไปต่อที่ไหนดีอมาริดถามขณะกําลังทานขนมหวานเพื่อให้ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายเลือกสถานที่เหมาะสมซึ่งแน่นอนว่าต้องเงียบสงบเพื่ออํานวยกับบทเรียนต่อไปของหล่อน ล้านดาวนึกถึงบ้านตนเองแต่คิดอีกทีอยากเปิดตัวอมริดอย่างเป็นทางการให้ดูหรูหน่อยจู่ๆโผล่เข้าบ้านให่พ่อแม่เห็นโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าเดี๋ยวจะเหมือนเพื่อนโลโลทั่วไปเท่านั้นครั้นนึกถึงบ้านมาวันทาก็คานตนเองอีกคิดว่าไหนๆอุตสาห์เกิดเหตุบังคับให้ตัดใจจากทางนั้นได้แต่มีชายที่ถูกใจมาชดเชยแล้วก็ควรห่างกันเสียเลยมาคบกับอมริดให้สนิทสนมแล้วค่อยหวนกลับไปหามาวันทาอีกครั้ง ด้วยรูปแบบความรู้สึกใหม่ที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงจะดีกว่าคิดไม่ออกค่ะพี่แตรเลือกก็แล้วกันโรงพยาบาลของพี่ไหมพี่เปิดห้องรับรองเล็กๆได้ตกลงค่ะงั้นเราไปด้วยกันเดี๋ยวพี่กลับมาส่งปกติลานดาวมักผูกขาดการสนทนาในรถคือถ้าหล่อนอยากคุยหลอนจะพูดจ่อยๆไม่หยุดหยอดมุกยั่วให้คนขับลงไหลหล่อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามถนัดแต่ถ้าหล่อนอยากเงียบและมองข้างทางฟุ้งซ่านเล่นคนเดียวก็จะเปิดเพลงดังๆกลบเสียงอีกฝ่าย ถามคำตอบคำหรือทำเป็นหูทวนลมไปเลยถว่าเคียงข้างอมริดในรถของเขาช่างเป็นความแปลกใหม่หล่อนต้องนั่งเงียบทบทวนการทำสมาธิโดยมีเขาบอกบทให้ว่าตั้งจิตแบบไหนถูกแบบไหนผิดแถมหล่อนสัมผัสกระแสพลังที่แผ่มาช่วยส่งเสริมอีกต่างหากอมริดทำได้หลายงานในคราวเดียวโดยทุกงานดีหมดอย่างน่าอัศจรรย์ใจ สมาธิแบบสงบพักไม่ใช่แค่การเตรียมจิตให้พร้อมใช้งานแต่ยังเป็นการป้องกันผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์เช่นต่อไปหากจิตเราไวเกินเหตุไปรับรู้คลื่นกระทบจากภายนอกโดยไม่ตั้งใจจนเกิดความรำคาญก็สามารถใช้สมาธิที่มีคุณภาพตัดจิตกลับมาอยู่กับขอบเขตความเคลื่อนไหวของกายหรือใจตัวเองแทนเขาสอนหล่อนไปเรื่อยเหมือนน้ำไหลนิ่งแม้แต่ระหว่างเดินจากที่จอดรถเข้าอาคารโรงพยาบาลก็ไม่เว้นเราใช้ทุกเวลามาฝึกจิตได้หมด อย่างตอนนี้แทนที่จะปล่อยใจให้ฟุง้งเป็นการกระจายพลังออกไปเปล่าประโยชน์แค่จะตั้งใจรักษาจังหวะเดินให้สม่ำเสมอรู้จุดกระทบระหว่างเท้ากับพื้นไปเรื่อยๆสมาธิก็เกิดขึ้นได้แพทย์หนุ่มขอกุญแจห้องรับรองจากเคาน์เตอร์แล้วพาลานดาวมานั่งมันเป็นห้องขนาดย่อมที่มีเพียงโซฟาโต๊ะเล็กกับตู้เย็นขนาดย่อมแต่ทั้งสองไม่สนใจสิ่งรอบข้างเมื่อนั่งเรียบร้อยก็เข้าเป้าทันทีเพื่อติดต่อกันด้วยจิต ก่อนอื่นต้องตั้งโจทย์ว่าทำอย่างไรจิตเราสองคนจะเหมือนวิทยุสื่อสารที่จูนคลื่นไว้ตรงกันพร้อมจะรับสัญญาณเรียกจากอีกฝ่ายทันทีตามธรรมชาติแล้วการที่คลื่นจิตของสองคนจะเชื่อมต่อกันง่ายต้องอาศัยความสนิทชิดเชื้อเป็นพาหะและความสนิทจะเกิดขึ้นได้เร็วถ้าไม่มีกำแพงระหว่างกันแต่ต้นซึ่งเราก็ช่วยกันกรุยทางไปพอสมควรแล้วตอนนี้จ้าควรมั่นใจว่าสามารถสื่อจิตกับพี่ง่ายๆได้บ้างแล้วลานดาวตั้งใจฟังทุกคำแววตาแน่นิ่งประกาศว่า พร้อมจะทําตามเขาสั่งทุกประการพี่จะเป็นฝ่ายเรียกก่อน จ, จะได้เข้าใจว่าตอนถูกเรียกจากพี่ความรู้สึกเป็นอย่างไรพร้อมนะค่ะหลับตาทําใจให้สบายสบายอย่านึกถึงพี่อย่านึกถึงใครหรืออะไรแล้วดูผัสสะที่กระทบจิตรู้สึกอย่างไรเอาแค่นั้นอย่าตื่นเต้นแล้วก็อย่าคิดต่อนักเรียนพลังจิตปิดตาลงแต่เพราะเพ่งรอว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตนมากเกินไปจึงกลายเป็นเกรงเครียดจิตใจมืดตื้อไปหมด อมริตอย่างรู้เช่นนั้นก็แนะยืดตัวนั่งตรงก่อนเอาใหม่เลยนะทำจิตสบายไม่ใช่เพ่งรอปรากฏการอะไรแบบนั้นนึกถึงลมหายใจที่เป็นสุขสบายให้ได้สักสองสามครั้งนั่นแหละอย่างนั้นสังเกตนะว่าใจสบายแตกต่างกับอึดอัดยังไงภาวะปลอดโปร่งอย่างนี้ถึงพร้อมจะรับสัญญาณเรียกทำนองเดียวกับฟ้าเปิดคลื่นวิทยุก็ผ่านสะดวกไปถึงเครื่องรับโดยไม่เจอพายุฝนรบกวนคราวนี้ดูที่ใจตัวเองนะว่าเกิดอะไรขึ้น ในความปลอดโปร่งสบายของจิตลานดาวสำเนียกได้ถึงคลื่นกระทบบางอย่างหากเปรียบเทียบเป็นรูปธรรมคงเหมือนกำลังมองท้องฟ้าเวงวังฉับพลันก็เห็นสายฟ้าแลบไกลๆทว่าในสายฟ้านั้นมีได้แฝงอยู่ด้วยการคํารนคํารามคุกคามขวัญเหมือนฟ้าผ่านในธรรมชาติหลอนรู้สึกถึงความสะเทือนที่นุ่มนวลอ่อนโยนอบอุ่นเกิดขึ้นวาบหนึ่งแล้วพักไปประมาณ5วินาทีค่อยวาบขึ้นใหม่อีกครั้งรู้สึกยังไงอมริทถามหลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งนาที ลานดาวลืมตาตอบเหมือนมีรอยแยกเล็กๆเป็นแสงวาบเลือนรางพร้อมกุมพลังอุ่นๆพอผุดขึ้นครั้งหนึ่งจะหายไปประมาณห้าวินาทีแล้วกลับมาใหม่อย่างนี้ถูกหรือเปล่าคะชายหนุ่มยิ้มพึงใจเพราะตรงกับที่ตนส่งไปสัมผัสภายในอาจต่างไปเรื่อยๆมโนภาพจะเป็นฟ้าแลบหรือแสงวาบอย่างไรไม่สําคัญแต่ละครั้งทั้งจิตพี่และจิตจะจะเป็นตัวแปรให้เห็นต่างไปเรื่อยๆจุดสําคัญของให้จารับรู้ได้ว่ามีสัญญาณเรียกเกิดขึ้น และมีระยะห่างที่แน่นอนไม่ใช่ความบังเอิญเท่านั้นพอค่ะการส่งสัญญาณเรียกเป็นเบสิกอันดับแรกเมื่อกี้จะรู้สึกถึงสัญญาณจากจิตที่ก็คือจิตเราเชื่อมเข้าหากันแล้วคราวนี้พัฒนาขึ้นอีกหน่อยลองแยกยะให้ออกว่าพี่คิดถึงเลขไหนจิตที่คิดถึงเลขหนึ่งหนึ่งจะบอกความเป็นเลขนั้นตรงๆเพียงถ้าใจเราเปิดรับคลื่นจิตของอีกฝ่ายก็จะบอกเลขได้ตรงกับที่เจ้าตัวนึกทันทีอา้าวลองซิ ตอนนี้พี่นึกแล้วเลขจะอยู่ระหว่าง0ูนถึงเ้าลานดาวเพ่งมองอมาริดงงๆพยายามดูว่าเขานึกเลขใดซึ่งเมื่อชายหนุ่มเห็นเช่นนั้นก็สายหน้าอย่างนี้เรียกว่าจะคิดของจาเองดูดีๆนะอาการของจิตเรากำลังนึกสุ่มเลขขึ้นมาถ้าท่ายก็เรียกว่าเป็นการเดาไม่ใช่สัมผัสรู้จะต้องเปลี่ยนอาการของจิตใหม่ก่อนอื่นเคลียร์ตัวเองให้ว่างจากนั้นค่อยสัมผัสกระแสะจิตพี่จะรู้สึกถึงอาการที่พี่นึกเลขตรงๆอยู่เลขหนึ่ง อันนั้นแหละถ้าแปลออกก็คือหมายเลขที่อยู่ในใจพี่พอญิงสาวรู้วิธีก็ลองใหม่แต่ก็ย่นคิ้วลังเลที่จะรู้สึกคือมันเอียงซ้ายหรือเอียงขวาอันนี้คือเอียงไปทางซ้ายไม่ถึงเลขน้อยๆหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นที่รู้สึกเอียงนั่นแหละคือความลำเอียงในใจเราเองจะเป็นขนาดใหญ่เล็กจะเป็นปริมาณมากหรือน้อยเหล่านั้นคืออคติทั้งสิ้นหากจิตเราตั้งอยู่กลางๆปลาศจากอคติ มีแต่ความรับรู้ตรงไปตรงมาก็จะเห็นว่าเลขในใจของอีกฝ่ายมันตั้งอยู่ตรงๆนั่นแหละคลื่นจิตของคนกําลังนึกเลขจะล็อกเป็นสัญญาณภาพหรือชายสั ญ, ญลักษณ์ที่ประสจจากการคํานวณคณนมากน้อยอะไรเลยเข้าใจแล้วค่ะพี่แตร์นึกเลขใหม่นะคะอมริีพยักหน้ารักษาสายตาตรงเป็นอาการใบว่ากําลังนึกแล้วลานดาวกําหนดใจไว้ตรงที่รู้สึกว่าเป็นกลางจับคลื่นนิ่งอันเป็นอาการแน้วนึกจากจิตอมาิีแล้วตาสว่างเพราะเหมือนเห็นเลขสี่ปรากฏเด่นขึ้นเต็มตัวเขา คล้ายลายน้ำในอากาศหรือหมอกควันในลมนิ่งเลขสี่ใช่ไหมคะชายหนุ่มยิ้มกว้างลานดาวกับเขาสามารถสื่อกันทางจิตได้จริงดังคาดใช่ลองอีกเลขนะอ่ะลานดาวใจเต้นแรงเมื่อทราบผลว่าตนถูก <S <s เกิดความระสําระสายจนจำเป็นต้องปิดตาระลึกถึงลมหายใจอันเป็นที่สบายสองสามครั้ง กระทั่งเห็นว่าใจไปอยู่กับสุขพอจะนิ่งได้จึงเปิดตาใหม่วางใจไว้ที่รู้สึกว่าอยู่ตรงกลางไม่เอียงซ้ายเอียงขวาไม่เพ่งหน้าเพ่งหลังเปิดรับคลื่นนิ่งจากอมริตใหม่ซึ่งก็สัมผัสได้ว่าเขาช่วยขยายคลื่นให้แรงเป็นพิเศษเหมือนเครื่องส่งวิทยุที่กระจายคลื่นด้วยกําลังขยายมหาศาลเลขเจค่ะเบื้อเริ่มเลยถูกอมริตให้การรับรองซึ่งลานดาวก็ตกมือดีใจหัวเราะร่าสนุกจังค่ะไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะทําอะไรอย่างนี้ได้ เมื่อหมดอาการนึกเลขจิตเขาก็แปลไปเป็นอีกอย่างคือนิ่มนวลตั้งนิ่งสบายลานดาวรู้สึกเหมือนจิตตนสามารถสัมผัสคลืน่นละเอียดอ่อนของอมริตได้ชัดกว่าเดิมมากจ้าเคยทายเลขกับเพื่อนดูเล่นๆไม่เคยทายถูกเลยที่แท้เหมือนมีเส้นผมบางภูเขาอยู่นี่เองธรรมดาคนเราจะคิดอะไรแบบเพ่งๆบีบๆขอบเขตของจิตจะขับแคบอยู่ในหัวหรือเคลนออกมาทางหน้าผากจะทาให้ดูนะอย่างนี้จ้ลองทายซิว่าพี่คิดเลขอะไร อมริเพ่งคิดเรียนแบบจิตคนธรรมดาซึ่งปราศจากความเปิดกว้างสบายของจิตลานดาวกำหนดดูแล้วเข้าใจทันทีชัดเลยค่ะเพราะคนเรามีจิตบีบๆอย่างนี้เลยทำให้คิดสับสนไม่เป็นระเบียบว่าแต่นี่พี่ไตรกำลังคิดถึงเลข9ก้าหรือเปล่าเอ่ยชายหนุ่มสันศีสะเลขหนึ่งลานดาวได้ออออีกครั้งคุณภาพการส่งสัญ ญ, ญาณเป็นปัจจัยช่วยให้สาเร็จหรือกดให้ล้มเหลวด้วยทัสติดีมีความเปิดสบาย รู้สึกคงที่ในความเป็นอิริยาบถปัจจุบันครบเครื่องทั้งหัวตัวแขนขากําลังจิตก็เหมือนพร้อมใช้งานเต็มสภาพเหมือนเมื่อครู่หล่อนเห็นเลขเต็มตัวเขาก็เพราะจิตเขาใหญ่ครอบกายนั่นเองแต่เมื่อเขาเพ่งขิดขับแคบก็เหมือนเห็นตัวเลขเล็กจิว๋วแถมอัดแน่นเสียจนอ่านไม่ออกบอกไม่ถูกประกอบกับที่จิตของหล่อนยังไม่เป็นกลางเต็มไปด้วยอุปทานด้วยให้จาเป็นฝ่ายส่งบ้างได้ไหมคะชายหนุ่มลุกขึ้นยืนกอดอก เอาสิลองดูแค่ลืมตาคิดอย่างนี้แหละเอาให้ชัดๆเหมือนมีตัวเลขปรากฏในใจเราสักสองวินาทีเท่านั้นยิงสาวนึกเลขสองซึ่งทันทีนั้นอมริดก็ถักเปลี่ยง 2. ลานดาวขนลุกที่ปลายแขนและต้นคอหัวรอ ด, ดีใจอย่างเห็นเป็นความบันเทิงที่หาจากไหนอื่นไม่ได้หลอนเปลี่ยนไป น, นึกเลข9ก้าซึ่งชายหนุ่มก็พลงขึ้นอีกทั้งที่นึกได้เพียงไม่กี่เสี้ยววินาที9ฮิ เก่งจังจ๊ะส่งไม่ได้เข้มข้นชัดเจนอย่างพี่ตราสักหน่อยทำไมอ่านออกแม่นยำและรวดเร็วขนาดนี้คะสัญญาณจากจิตที่คิดเลขนั้นแปลง่ายจะตายถ้านึกเป็นหมายเลขโทรศัพท์พี่ตรายจะเห็นไหมนี่ไม่ไหวหรอกเว้นแต่จะนิ่งและมีคุณภาพรับรู้มากๆด้วยกันทั้งคู่งั้นกว่าจะสื่อสารแบบคุยกันทางจิตคงต้องฝึกซับซ้อนน่าดูสิขาอย่างนี้พอจ้สามารถรับสัญญาณเรียก ก็แปลเลขจากพี่ถูกจิตเราจะเชื่อมติดและสามารถสื่อสารเล็กๆน้อยๆได้เองเหมือนมีเสียงของอีกฝ่ายกระซิบในหัวลองสังเกตดีๆส่งภาษาพูดออกมาจากจิตนั้นง่ายกว่านึกเลขหลายตัวพร้อมกันนะน่าจะทำอย่างนั้นได้เร็วๆอยากรู้จังว่าเป็นยังไงถึงเวลานั้นจ๊ะก็อาจได้ยินเสียงพี่บอกอะไรบ่อยๆจนราคาญเช่นอะไรคะชายหนุ่มยิ้มละไมรีตาลงและส่งกระแสอ่อนโยนสื่อความคิดชัดเจนว่าพี่รักจะ๊ะ ลันดาวช้อนตาศพสายตาแบบนั้นไม่ต้องมียานรู้ใจก็ถ่ายถูกแต่หล่อนแกล้งไก่เสียอย่างนี้คือสารภาพว่าหมันไส้จะาอยากตีเขาสักอักหนึ่งหรือเปล่าอมริตหัวเราะดังๆ ด, ด, ด้วยอารมณ์ผ่อนคลายถ้าอย่างนี้สงสัยเราต้องฝึกร่วมกันให้มากๆสองหนุ่มสาวประสานตาแนบนิ่งในห้วงเวลาแห่งความผูกพันแน่นแฟนอวนกลิ่นอายหันษาทั้งโลกประหนึ่งฝันเหลือสายใยสัมพันธ์ระหว่างกันเท่านั้นที่เป็นจริง